รพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14ประสูตรที่29ภาละบันดิตสูตรสูตรว่าด้วยพานและบันดิตพระผู้มีพระภาคประทับนชเชตวนารามตรัสแสดงลักษณะของคนพานสามอย่างคือคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วคนพานจะต้องประสบทุกโทมนัส ถ, ถึงสาประการในปัจจุบันและตายไป